ปาจิตติโภชนะวัคที่สสิกขาบทนิวัตนี้ปรารบถึงโภชนะคือของฉันสมควรจะแสดงโภชนะนั้นให้เข้าใจไว้ก่อนในคำพีวิพังกล่าวโภชนะไว้ห้าอย่างคือข้าวสุกอย่างหนึ่งกุ่มมาดคือขนมสดอย่างหนึ่งสัตตุคือขนมแห้งอย่างหนึ่งปลาอย่างหนึ่งเนื้ อ, อย่างหนึ่ง ทั ญ, ญาชาตุกชนิดที่หุงให้สุกแล้วเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวหรือตกแต่งเป็นของต่างชนิดเช่นข้าวสุก ข, ข้าวมัดข้าวผัดเป็นต้นนับข้าวในชื่อว่าข้าวสุกทั้งนั้นกลุ่มมาดนั้นคือขนมสดมีอันจะบูดเมื่อล่วงการแล้วเช่นแป้งจีขนมดวงขนมครกเป็นตัวอย่างสัตว์ตุนั้น ได้แก่ขนมแห้งที่ไม่บูดเช่นขนมที่เรียกว่าจันอบและขนมปังเป็นตัวอย่างปลานั้นสรงคราะเอาหอยกุ้งและสัตว์น้ำเหล่าอื่นที่ใช้เป็นอาหารเข้าด้วยเนื้อนั้นคือมังสะาของสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหารนี้เรียกโภชนะห้าอย่างส่วนผลไม้ต่างชนิด และเงาต่างชนิดมีเผือกมันเป็นต้นเรียกว่าขาธนียของขบของเขี้ยวเช้ารอยเลรงความว่าเป็นของใช้กัดกินมาก่อนไม่นับเข้าในโภชนาะแต่จัดเป็นอาหารเหมือนกันท่านนับยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างไรจะมีแจ้งในสิกขาบทปาจิตติโภชนาวัตรสิกขาบทที่หนึ่งว่า ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธพึงฉันอาหารนนโรงทานได้ครั้งหนึ่งถ้าฉันยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีอาหารในที่นี้แสดงโดยศัพท์ว่าปินดาแปลว่าก้อนข้าวส่วนในคำพีวิพังแก่ว่าโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งความเข้าใจในโภชนะของผู้ศึกษาพระวินัยอยู่ข้างจะแคบ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 เป็นเครื่องบำรุงชีวิตของที่กินในเวลานั้นคงมีข้าวและแกงกับอันทาจากเปล่าหรือเนื้อสัตว์บ้างก็มีของหวานเพิ่มขึ้นอีกกินของว่างนั้นไม่ใช่กินเพื่ออิ่มหนำเป็นเวลาได้แก่อาการที่เรียกว่ากินจุบกินจิบในระหว่างระหว่างของที่กินในเวลานั้นแม้เป็นของที่จัดว่าโภชนะก็มี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 ได้แก่อย่างที่เรียกว่ากินข้าวอาหารในโรงทานนั้นได้แก่ของที่เขาจัดไว้ไม่เฉพาะบุคคลไม่เฉพาะพวกเช่นไม่ได้เตรียมไว้ถวายภิกษุจำพวกเดียวคนเดินทางหรือคนอดอยากก็อาศัยได้อาหารในโรงทานเช่นนี้ภิกษุไม่อาภพาตคืออาจจะออกจากโรงทานนั้นไปได้พึงฉันได้คราวเดียวในเวลามาถึงเข้า ถ้าฉันเกินกำหนดนั้นต้องปาจิตติในคำพีวิพังปรับอาบัติไว้ทุกคำกลืนความพอใจของข้าพเจ้าจะกําหนดด้วยครั้งถ้าอาพาธจนถึงไปจากโรงนั้นไม่ได้ฉันซ้ำไปจนกว่าจะไปได้ไม่เป็นอาบัติเว้นวันแล้วฉันอีกก็ได้ เช่นเดินทางมาพักฉันวันหนึ่งขากลับพักฉันอีกวันหนึ่งเจ้าของเขานิมนต์แล้วอังคาดเองก็ฉันได้อังคางดคาแปลว่าถวายพระเลี้ยงพระถ้าอาหารนั้นไม่ได้ตั้งเป็นฐานทั่วไปไม่นับในสิกขาบทนี้ ปาจิตติโภชนาวัชสิกขาบทที่สองว่าเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตติในเพราะฉันเป็นหมู่นี้สมัยในเรื่องนั้นคือกล่าวอาพาธกล่าวที่เป็นฤดูถวาจีวรกล่าวที่ทําจีวรกล่าวที่เดินทางไกลกล่าวที่ขึ้นเรือไปกล่าวใหญ่กล่าวพัดของสมณนะนี้สมัยในเรื่องนั้น ราวพัดคำว่าพัด ส, สะกดขึ้นต้นด้วยพอสัมเภาที่แปลว่าอาหารของกินของฉันหรืออาหารที่รับประทานหรือฉันเป็นมือมือข้าพเจ้าจะอธิบายความตามเข้าใจกันมาก่อนในคำภีวิพังแก้ไว้ว่าภิกษุตั้งแต่สี่รูปรับนิมนต์ด้วยโพชนาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งและฉันตัดความสั้น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 จะชั้นแห่งเดียวกันหรือแยกกันไปชั้นไม่เป็นประมาณในสมัยเหล่านั้นกราวอาพาธนั้นคือเวลาเจ็บไม่อาจจะไปบินถบาทได้กราวที่เป็นฤดูถวายจีวร น, นั้นไม่ได้กรานกรถินเดือนสามท้ายฤดูฝนได้กลานกรถินเพิ่มออกไปอีกสี่เดือนในฤดูหนาวเรียกว่าจีวรนทานในสมัยบ้าง จีวรการละสมัยบ้างเราทำจีวร น, นั้นคือเวลาที่ภิกษุทำเองในการกอนภิกษุตัดละเย็บจีวรใช้เองทั้งนั้นเช้ารอยจะไม่ชำนาญและมีกังวลมากจึงได้ทรงอนุญาตประโยชน์พิเศษเฉพาะในเวลานั้นเป็นหลายประการการเดินทางไกลนั้นกำหนดตั้งแต่กึ่งโยศขึ้นไป ราวที่ขึ้นเรือไปนั้นคือเวลาไปทางเรืออาจได้กำหนดว่าระยะไกลเท่าไหร่ไม่ควรจะเทียบกึง่งยอดด้วยกันคราวใหญ่นั้นคือภิกษุอยู่น้อยรูปปินทบาทพอฉันรั้นมาอยู่มากขึ้นได้ไม่พอคราวพัดของสมณะนั้นคือเวลาที่พวกสมณะด้วยกัน นิมนฉันเมื่อมีสมัยเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งฉันคณะโภชนะได้ไม่เป็นอาบัติเมื่อถือเอาความเข้าใจอย่างนี้จึงมีเป็นธรรมเนียมที่ถือกันมาว่าทายกนิมนต์ออกชื่อโภชนะไม่รับถายกผู้เข้าใจจึงนิมนต์แต่เพียงว่านิมนต์รับบินทบาทหรือรับพิขา หรือนิมนต์ชันเช้าชันเพนดังนี้จึงรับได้เพราะคำว่าคณะในที่นี้ท่านถือเอาความว่าตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปท่านจึงแก้ว่าสองรูปสามรูปชั้นด้วยกันบิณฑบาตมาแล้วประชุมกันฉันไม่เป็นอาบัติพัดมีชื่อต่างๆมีนิตยพัดเป็นต้น ไม่เป็นอันออกชื่อโภชนะกระมังท่านจึงว่าไม่เป็นอาบัติเพราะพัดเหล่านั้นยกโภชนะทั้งห้าเสียไม่เป็นอาบัติทุกประการคำว่านิตยพัฏคืออาหารหรือค่าอาหารที่ถวายแก่ภิกษุสามเณรเป็นประจําข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า แกคณะโพชนะเช่นนั้นถูกเพราะไม่ให้ประโยชน์แกภิกษุผู้จะได้รับสมแกสมัยก็มีมีทางจะเข้าใจได้อีกอย่างหนึ่งนั่งล้อมโภชนะฉันเรียกสั้นว่าฉันเข้าวงชื่อว่าฉันเป็นหมู่ตามธราเนียมของพราหมณ์ก็ดีของภิกษุก็ดีเวลาฉันนั่งเรียงเป็นแถวไม่นั่งล้อมเป็นวง บางทีจะห้ามการฉันเข้าวงอย่างนี้บ้างกระมังเมื่อถือเอาความเช่นนี้ภิกษุผู้เดินทางผู้ไปทางเรือผู้ตกอยู่ในคราวอาตาัตคัดได้รับประโยชน์จากพระพุทธานุญาตคงรู้สึกสะดวกขึ้นมากแต่เป็นความสะดวกแก่ภิกษุค่ายอย่างไรเป็นความสะดวกในหน้าถวายจีวรและในคราวทาจีวร อ, อย่างไรยังไม่กระจ่างเหมือนกัน ชนะโพชนะนั้นคงหาเป็นของมีกิจหรือโทษแท้ไม่จึงได้ประทานพระพุทธานุญาตเปิดให้บางสมัยและสมจะเป็นของหรือกิจเหมาะแก่สมัยทั้งเจ็ดนั้นด้วยข้าพเจ้าขอฝากวินิจฉัยไว้เพื่อดำริต่อไปอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตะกะคือแม้ไม่จงใจก็ต้องอาบัต ถ้าเป็นคณะโพชนะแม้เข้าใจไปว่าไม่เป็นก็คงเป็นปาจิตตีเหมือนกันไม่ใช่สมัยที่จะพึงได้รับอนุญาตแม้เข้าใจไปว่าเป็นสมัยก็คงไม่พ้นอาบัติปาจิตตีโพชนะวั สิกขาบทที่สามว่าเว้นเวนแต่สมัยเป็นปาจิตตีเพราะโพชนาที่หลังนี้สมัยนี้เรื่องนั้นคือกราวเป็นไข่กราวถวายจีวรนกราวทาจีวรปาจิตตีโพชนาวัตรสิกขาบทที่สามว่าเว้นเวนแต่สมัยเป็นปาจิตตีเพราะโพชนาที่หลัง นี้สมัยในเรื่องนั้นคือกราวเป็นไข่กราวทวายจีวกรก่าวทามจีวรในคมภีวิพังอธิบายว่าภิกษุรับนิมนต์ด้วยโภชนาทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเว้นโภชนะนั้นเสียฉันโภชนาทั้งหา้าอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นนี้เรียกว่าโภชนาที่หลังถ้าเพ่งตลอดถึงกิริยาที่ฉัน ดังแนะไว้ในสิกขาบทต้นแห่งวักนี้จะเข้าใจได้ดีว่าในสิกขาบทนี้กล่าวถึงรับนิมนต์ฉันอาหารไว้แห่งหนึ่งแล้วหาไปไม่พลายไปฉันอาหารที่นิมนต์ทีหลังอันพ้องเวลากันดังนี้แลเรียกปรมประโภชนะหรือโภชนะทีหลังอย่างไรจึงทรงเปิดช่องให้ในสมัยทั้งสามดูน่าจะคิด คงเป็นทางไม่ถึงเสียธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งในนิทานคือเหตุต้นเรื่องที่มาแห่งศิขาบทส่งอนุ ญ, ญาตให้วิกลับได้คือยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียฉันพอชนะที่หลังได้ในครั้งก่อนจะไม่ถือกันนักกระมังแต่ในบัดนี้ควรจะถือเอาอธิบายเช่นนี้ ถ้าเขาไม่ได้นิมนต์เฉพาะตนจะต้องการเพียงสักว่าภิกษุให้ครบจำนวนเท่านั้นภิกษุผู้เป็นพัตตุเทศคือภิกษุที่สงสมมุติคือแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจกพัตคืออาหารถ้าเขาไม่ได้นิมนต์เฉพาะตนจะต้องการเพียงสักว่าภิกษุให้ครบจำนวนเท่านั้นภิกษุผู้เป็นพัตตุเทศกัหรือพัตตุเทศแจก่วนมาถึงตน เช่นนี้จะวิกลับให้ภิกษุอื่นได้อยู่แต่ถ้าเขานิมนต์เฉพาะตนจะวิกลับไม่ชอบเว้นไว้แต่จะตกลงกับผู้นิมนต์นิมนต์รับภิกษุที่เรียกว่ารับบาตรหรือบินทบาตไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะเหมือนกันคือแม้ไม่จงใจก็ต้องอาบัต